หนึ 130. ่ิบพิสูจผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ต้องอบัตทุ ก, กฎด้วยอาการ5อย่างคือ 1. ไม่ใช่ทรัพย์ที่มีผู้ครอบครอง 2. สําคัญว่าเป็นทรัพย์ที่มีผู้ครอบครอง 3. ทรัพย์มีค่าน้อยราคาหนึ่งมาศกหรือน้อยกว่าหนึ่งมาศก 4. มีทายจิตปรากฏ 5. ภาพิสูุจับต้องต้องอบัตทุ ก, กฎทําให้ไหวต้องอบัตทุ ก, กฎ ทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัดทุกกฎ